เพลงที่หนึ่งหน้าหนึ่งจากซิงเกิ r แรกอัลบัม้มมินิอัลบัมก่อนเกิดเหตุชื่อเพลงว่าเหตุผลครับแม้ว่าเรื่องราวของเรา จบตรงที่เธอกระทำแม้ว่าฉันยังไม่อาจจะเข้าใจฝืนยอมรับความเป็นจริงเมือนทุกเธอทิ้งไปไม่ลาฉันรู้ว่าเธอคงไม่ย้อน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 ถูกเธอทิ้งไปไม่ลาฉันรู้ว่าเธอก็คงไม่ย้อนมามาเฮ hey! มาที่บาย ฉันเข้าใจที่เธอทำกับฉันบอกินสักคำเหตุผลที่เธอไปบอกินสักคำเหตุผลที่เธอเปลี่ยนบอกกนสักคำที่ทำให้ฉันเข้าใจที่เธอทำที่เธอทำกับฉันให้เข้าใจหากไม่รับกู